ในอนุญาตให้ใครภาวนาเสร็จแล้วก็นั่งลาบนั่งลาบได้หน้าใหญ่ที่แ ย, ย่การภาวนาล่งคุกข์ของเทียมพรม้อมตลอดเพราะฉะนั้นพระผู้ว่าภาวนากับหน้าทการกล่าวคำภาวณากับคำหน้าเทียมพร้อมจะบวชจึงข่ายถึงกัน ออนี้จบองนั้นก็นขึ้นต่ออนี้จบนั่นนขึ้นต่อ <c ười> ผมเคยเห็นมานานมากต่อมากนะฮะพอคนนี้วัดดันตุมังไอ้ซึสมัญโตอนุกรรมปังอุปาดายะจบลงค่ะนั่นก็ขึ้นออะวอวดันตุมังไอ้สมัญตขึ้นเลยได้เอาอกงนั่นเลยกับนี่มันลืมมันคือมันเตรียมเกินไปนสร้างกรรมพันเตปวาเรนีธรรมลาขึ้นอย่างนี้น ทมันามกกาองค์องค์ที่มันมันเซ่อๆมันมี้แล้วหรือองค์เรียนดัดอย่างว่าพอวัดันตุบางอายทตัวอนุกำปังอุปาดายะปัดสั้นตัปตะกะลีามิพรังขึ้นปั๊บพุ่งขึ้นสุดท้ายเลยอายทตัวอนุกำปังอุปาดายะไปเลยทีนพระที่เตรียมบวช หน้าที่เตรียมบดก็เหมือนกันเวลาบาทสะพายสะพายบาทเตรียงนะนั่งประเกียบรอเวลาที่ท่านจะสั่งนงเราเองเคยบอกมีพระพว่หน้าถ้านลงในเตียมบาทสะพายบาทแล้วใครจะไปแตะนั้นะไม่ได้นะวะจะพูดอะไรด้วยไม่ได้นาเดี๋ยวจะขึ้นช่องขึ้นช่องบ้านนะั่นละว่า <c oughs> นี่นก็อยู่วัตจุดทวาร มันคำเราก็พูดคำๆด้วยหมู่ว่าท้าสมฆ์อะไรขอว่าลอกนันลั่นคือหลองโบสวดบัดนี่แหละแล้วถือถาวายถึง จ, จะเป็นปี2005ในเวลาเตรียมพร้อมท่านเจ้าคุณปู่เนี่ยเป็นผ้ขายล่ะหน้ากับมากต่อมา ก, มากนั่งรอเราก็เกือนนี่ น้าที่ตรไหนที่เตรียมบาทสะภายบ่ายสภายบ่ายแล้วจะไปจะไปถามยังพูดอะไรนั้นไม่ได้นะมันบอกมันพ่อนี่เตรียมพร้อมแล้วจะมาพูดภาษาเราแหละเราก็บอกจะให้พูดภาษาเราคือก็พูดภาษาหน้าเอ็มปุรงไม่บอกพอดีมันมันถี่เกินไปนั่งนั่งแยกกันเกิดไปกเลยบอกว่าให้ถอยไปนิดหน่อยจนนัดถี่พันเต น่าเด่นผมไม่ผมไม่พูดแล้วค่ะตอนีมันเป็นบ้าหมดแว้าบกระยับมันน่าี แต่งทึ่งมันโอ้ยไม่ได้เลยมันของก็ั้นเตรียมพร้อมเรื่แหอย่างนี้เตรียมบอกอย่าไปแตะนะไม่ได้เนะก็บอกว่าหน้าก็ได้ยินใครก็ได้ยินผมเราเป็นคนเตือนนี่หน้าที่เอาบาดสะพายเท่อย่างบาดแล้วระวังหน้าจะไปพูดอะไรอไม่ได้นะแตะไม่ได้นะเดี๋ยวจะขึ้นช่องบ้านนะระวังอย่างนี้แหละแล้วยวก็นี้มันแน่นกระแตบอกให้ขยับไปหน่อยหน้าทีพัดนะ มันเป็นบ้าที่นี่กว่าบอกขยับไปมันก็นรู้กันภาษากันอยู่แล้วมันเปน็นนักธิรเถิดหัวกันลั่นท่าย่คุณธรมเจดีย์ท่าอด ห, ดหดัวไหเองนั้นนะมันเอาเรื่อยนะไม่ใช่มีรายอย่่งการเดียวนะมันเป็นอยู่เรื่อยเพราะงั้นเวลาหน้าเตรียมพร้อมที่จะบวชสภาแล้วใครจะไปพูดอะไรด้วยไม่ได้นะจะไม่ขึ้นท่องเรานะจะไม่จะไปแบบหนา้าไ นาทิพันเตพ้พระเต็มโอนหัวเราเลยนี่การภารวนาที่ท่านถือเป็นกิจสำคัญทีเดียวนะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องประสานกันเข้าให้เป็นอวัยวะเดียวกันของพระสงฆ์เพื่อความแน่นหนามั่นคงของสามขัมมณฑลนั่นเองนันจึง ใหรนาซึ่งกั น, นกันไม่ถือว่าชาติชตั้นวันนะใดสูงอะไรต่ำอะไรแต่ให้สละลงในสิ่งที่ผิดพิธิความเห็นที่ผิดความประพฤติเป็นความผิดข้งตนนั้นก็โอกาสให้พระสงฆ์ในวงปรนนานั้นในสังคมณฑลที่อยู่ในวัด น, นั้นในแนะนำตักเตือนสั่งสอนได้ นี่แหะคือให้ทำเป็นใหญ่ไม่ให้ที่เล็กเป็นใหญ่ไม่ชาติเป็นใหญ่ชาติเป็นใหญ่วันละเป็นใหญ่แต่ให้หลักธรรมหลักวินัยเป็นใหญ่นี่แหละหลักธรรมหลักวินัยเป็นสิ่งที่จะประสานกันเข้าความคมกลืนเป็นหนึ่งอันเดียวกันมีกําลังมากมีความสงบมากเพราะทิกฐิไม่แย้งกันความประพฤติปฏิบัติไม่แย้งกันการแนะนําตักเตือนสั่งสอนกันตักเตือนสั่งสอนได้ โดยทำรรผู้ฟังก็ฟังโดยทำรรปฏิบัติโดรร้วยทำแก้ไขโดยทำรรในสิ่งที่ไม่ดีผิดให้เป็นสิ่งที่ถูกพันจังวัดสร้างคําทันเตปวารีผมปรนนธาตัวคือเปิดช่องเปิดโอกาสให้แก่พระสงค์คําว่าพระสงค์กับประสงค์ในวงปรานาธาตวารีนีดิเทนวานได้เห็นก็ดีดุเตนวาได้ยินก็ดีปฏิสั่งกายวาให้ตงเกียรติสงศ์ใส่ อยู่ก็ดีในสิ่งที่ไม่ดีของผมปู๋นยังไง จ, จะแสดงออกทางกายทางวาจาหรือจะทราบไปถึงได้ทางจิตใจก็ก็แล้วแต่เพราะมเป็นวงวกว้างนี่บอกไว้ขึ้นที่ว่าความผิดมันมีได้ทั้งทางกายทางวาจาทางใจให้แ น, นะนําปรเก็นตังสอนผมด้วยควา ม, นขขามอนุเคราะห์ผมน่ะอนุกำตัญด้วยความความอนุสร์ตัดสันตัวปฏิกิริษานี้เมื่อ ผมทราบแล้วจะได้พยายามแก้ไขดัดแปลงกลับคืนสู่ความเป็นปกติของธรรมของวินัยและของความประพฤติที่ถูกต้องตามหนักธรรมหนับวินัยนี่ท่านย้ำถึงสามผลไม่ใช่ผลหนึ่งแล้วนะตระหนาผลหนึ่งตระหนาตัวผลหนึ่งแล้วยังยำ้งยำอีกย้ำอีกถึงสามครั้งเป็นที่แน่ใจผมน่าโลงใจ ต่อหมู่ต่อคณะต่อพระสงฆ์ไม่แน่ใจในความผิดพลาดของตัวเองจึงต้องให้หมู่ร่วนพระสงฆ์เป็นหูเป็นตาด้วยกันแนะนํำตักเตือนสัมสอนกันผู้แนะนํนำตักเตือนสัมสอนก็ฟังฟังแต่ว่าเป็นธรรมมันเถิดไม่มีคำว่ากิเลสทิฏฐิมานะสัมสอนกันด้วยแบบนั้นไม่มี ไม่ให้เอามาใช้โดยก ป, ป็นอันขาเพราะสิ่งเห่านี้เป็นกิเลสซึ่งเป็นค่าศึกของธรรมเป็นค่าศึกของท่าเป็นค่าศึกของบุญคณะที่อยู่ด้วยกันอื <c oughs> จะทําให้แตกให้ล้าได้ขึ้นชั่ววิเลสไม่เคยทําอะไรให้ดีมีธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องประสพประสานเป็นเครื่องที่จะทําให้อยู่ด้วยกันเป็นความผาสุกและมั่นคงไหวใจตายใ จ, ยใจสนิดกันใจกันได้ปากเป็นปากตากันได้คือธรรมคือวินัยเท่านั้น ท่านจะเคยประกาศจนถึงสามครั้งสามครั้งคนเราเมื่ออยู่ด้วยกันด้วยความจงรักภักดีต่อกันหวังดีต่อกันหวังความรู้ความฉลาดต่อกันแล้วอะไรจะเป็นความผาสุกยิ่งกว่าทำเหล่านี้ที่มีอยู่กับผู้มีความรู้ความเห็นอย่างนี้ความเป็นอย่างนี้ไม่ได้เลยอันนี้มีกําลังมาก เป็นเป็นความรล้ารามความแตกสามัคคีพะพอกี้เข้าไปทําลายเด่นโดยถือว่าตัวดิีตัวดีตัวถูกต้องแม่นยําำปุถุกิ่ณตุอย่างใครอุ่นนุ่นแนะนําตัเกเตือนสันส่งสไม่ได้เนะนี่ยที่นี้ก็ไม่ยอมลงไข่อันนี้นะเป็นจิ่ที่ทําลายวงคณะทําลายผู้เป็นอัศจรรย์ทำให้ขยะขแข็งและเข้ากันไม่ได้สุดท้ายก็แตกที่เลสทําให้แตกไม่ใช่หลักธําหลักวินัยหลักความกลมกลืนสามัคคีกันทําให้แตก แต่การขัดแย้งเพราะอำ น, นาจของกิเลกต่างหาพาให้แตกทำานียงนิประกาศเอาไว้เป็นปรวรรณาในทุกปีทุกปีบางท่านก็จะไม่เข้าใจผู้คนใหม่ก็จะไม่เข้าใจปรวรรณาหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเปิดช่องผูโอกาสให้ระหว่างการแก้ น, น, นาตัดเพลินสัง่งสอนกันได้โดยไม่ต้องเกรงอกเกใจ ความเกรงใจก็คือระวังที่เดือดผนั้นมันจะแสดงฤทธิ์ออกมานั่นเองแต่เรามาปฏิบัติเพื่อชาระตัดสารที่เดือดจะให้มันแสดงฤทธิ์ยังไงเจ้าของรู้อย่างนั้นจึงต้องปรนนธาตัวอย่างนี้เปิดโอกาสให้ช่วยปราบที่เดืดให้หน่อยว่าเงินผู้ใดเงินไม่ทราบมันจะออกทางไหนก็บทางไหนแหละที่เดืดมันออกได้ทุกด้านทุกทางนอกจากออกจากความคิดนอกจากทา ง, ออาทงหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายและความประคุตอด้วย ตัวเองก็มองไม่ทันมองไม่รอบต้องอาศายาอัยคนอื่นมองดูด้วยช่วยดูด้วยป ร, ราบยิ่งเดชให้ด้วยพูดง่ายๆความหมายก็ว่าอย่างนั้นให้ภาพมันเป็นที่เข้าใจแล้ ว, วคนสาระงานก็จะยุ่งน่าเริ่มน่ะตั้งแต่ตั้งแต่ปีนี้กับัปดาห์ น, นี้ก็จะยุ่งแล้วตอนเดือบ่ายเย็นก็จะเต็มไปหมดแล้ววันนี้คณนะ ่วนคุณเขาจะมาสร้างคุณบูชาก็ไปแต่นั่นก็เรื่อยนี่กับพวกแสวงบุญตามหลักของพุทธศาสนาตามนิสัยของชาวพุทธก็เป็นอย่างนั้นสอะแสดงหาคุณงามความดีหาหลักยึดทางด้านจิตใจและแสดงออกทางด้านวัตถุเพือเป็ น, นบูชาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอุดหนุนพระสงฆ์ผู้ มีปัจจัยสีอันเกี่ยวข้องอยู่กับด้วยญาติโยมงไงจะได้อยูย่พระด้วยความสะดวกสบายจะพุทธปฏิบัติพุท ธ, ทธมรดกในความราบรื่นสวยงามและสะดวกยังต้องมีเทศกาลคือตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปมีเป็นการกําหนดเป็นตะขินมีกําหนดเวล่ำเวลาตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปถึงเดือนที่สองเพล่เรียก เป็นเศษของกฐินแลทานส่วนบางสกุลแล้วมีด้ตลอดการไปแล้วก็ต้องยุ่งเป็นธรรมดาในการเช่นนี้การประกอบความภาคเทียนก็ไม่ค่อยสะดวกในเรื่องเช่นนี้แม่นางมีเป็นตัวที่เป็นอัวตงเป็น ผู้หญ่มีบ้างชายเด่เดน้วถ้าเขายังมีความใจอะไรอยู่ไหมนีม่ไม่มีแลวอ่เอาวนาไปบ้ะะเป็นที่เข้าใจ น, น, านี่กับเสือผู้นีม่นะไหนหนที่เป็นต่างๆเป็นนั้นเป็นปามันไม่ใช่ลามันมีลักษณะข า, ข, ขาวๆูไม่ถูกถยแบบนี้นันนั่นนั่นน่าดูด การทำอะไรให้ทใความจา<อ>าทำใคนความมีปัญญาต่อต่ อ, ตอ้อทนงทำอไม่ใช่หลัไม่ใช่หลักทำหลัหลักทงไงต้องเป็นหลักมีความนทางตันอ่งีี้จะมาทดก็เรียบรดีามถูก้งหรือไม่ถูกต้องให้านาเป็นอีนแบบหนึ่งาการปฏิมา ขณะเดียวกันก็เพื่อจะทราบเรื่องควาโงค่ความขลาดของตนที่เกิดขึ้นจากธรรมะและพิเรนเป็ันฝังใจมันแสดงความหยาบอะไรออกมาถ้าพิเรนตเป็นอย่างนั้นนั่งจากความอยาบนะปัญญาพาความเพียรเป็นเครื่องขันละสังสารสิ่งหน่งนี้การท่ความวัดปฏิบัติทำคํามว่าปฏิบัติเคพื่อใครก็เพื่อเราเพื่อศาสนาเพื่อส่วนรวม ใหานเพี่อใครการทำอะไรทั้งหมดเป็นเรื่องของเราเป็นผูท้ทําำการงานทั้งหมดนี้เป็นงานของเราเปอันดับแรกงานส่วนรวมอันดับต่อไปผู้ดูงานของเรานี่ผลประโยชน์เพื่ออะไรถ้าไม่ใช่เพื่อเราเพื่อวงคคณะเพื่อหูตาประชาชนจะได้